วันนี้นับว่าเป็นวันที่อุ่นหนาฝาคั่งวันหนึ่งมีทั้งพออมีทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็โรงพยาบาลพร้อมทั้งอาณาไม้ทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอได้มาพร้อมกันวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นพิเศษว่า ง, งั้นเถอะเพราะนานๆพวกเราจะได้มาพบมาเจอกัน ต่างคนต่างท่านก็มีหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทาสรุปแล้วก็คือหน้าที่ของใครของเรากว่าจะแยกแยะหรือว่าก่อนที่จะมารวมทาบุญในวันนี้ได้ก็เป็นการนัดแนะใช้เวลา น, านานพอสมควรเพราะนั้นวัดวาศาสนากับส่วนราชการ มันก็แยกกันไม่ออกคือวัดวาศาสนามีหน้าที่อะไรอย่างหมอพยาบาลก็รักษาสุขภาพทางกายส่วนวัดวาศาสนาแนะนำทางจิตวิญญาณหรือรักษาสุขภาพทางจิตจะทำยังไงจึงจะให้จิตใจมีความปล่อยวางได้รับความร่มเย็นเป็นสุข อย่างหมอโรคหัวใจอย่างนี้เขาก็แนะนำคนป่วยคุณต้องกำจัดสามกอออกซะก่อนนะคุณจึงจะหายได้ถ้าคุณไม่กำจัดสามกอคุณจะรักษาโรคหัวใจของคุณเนี่ยหายากสามกอนั่นคืออะไรยากลุ่มใจพยายามอย่าให้กลุ่มอกกลุ่มใจ แล้วก็อย่าอย่าให้โกรธอย่าให้เกลียดอ่าอย่าให้กังวลอ่าอย่ากลุ้มใจอย่ากังวลอย่ากเกลียดอย่ากโกรธ ถ, ถ้าว่าคุณกำจัดสีก่กรนี้ได้โรคหัวใจของคุณก็มีส่วนที่จะหายได้แต่ว่า การที่จะกาจัดได้นั้นไม่ใช่หน้าที่ของหมอเป็นหน้าที่ของคุณเองอันนี้คือถ้าจะพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับเข้ามารักษณะที่ว่าพระสงฆ์ต้องแนะนาทำยังไงจรึงจะไม่กลุ่มกลุ่มอกกลุ่มใจทำยังไงจรึงไม่ให้กังวลใจทำยังไรจรงจึงไม่ให้โกรธทำยังไงจึงไม่ให้เกลยเกียด นี่อันนี้ก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องแนะนําสั่งสอนอะไรทนี้ส่วนสุขภาพทางกายหมอก็ต้องตรวจควรจะให้ยาอย่างไรควรจะดูอย่างไรเพราะฉะนั้นหมอก็คือรักษาทางสุขภาพกายส่วนพระสงฆ์องค์พระเจ้าในภาคปฏิบัตินี่คือให้รักษาสุขภาพจิตถ้าสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดีก็มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่มีสุขภาพกายดีอย่างเดียวแต่สุขภาพจิตแย่ก็หาความสงบสุขไม่ได้แต่ถ้าว่าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีทั้งสองอย่างก็มีความสบายอกสบายใจเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วอาหารกายคือส่วนหนึ่งอาหารใจคือส่วนหนึ่ง การรักษาโรคทางกายนั้นคือส่วนหนึ่งการรักษาโรคทางใจนั่นคือส่วนหนึ่งคือการรักษาโรคทางใจคือทำความเข้าใจในเรื่องที่มันเกิดขึ้นควรจะปล่อยวางอย่างไรควรจะรู้เรื่องอย่างไรควรจะปรับปรุงแก้ไขใจของตนเองอย่างไงควรจะยอมรับอย่างไรควรจะปฏิเสธอย่างไรในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นอันนี้ก็ต้องใช้หลักธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะ อันนี้ก็คือหมอกับพระนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันใกล้ชิดกันคือหลักของพุทธศาสนาในอบรมทางจิตเรื่องจิตวิญญาณเพราะนั้นวันนี้ได้ผ อ, อได้พาคณะหมอรพยาบาลอนามัยมาร่วมทาบุญถือว่าทางหน่วยเหนือเขาให้ ถือว่าเป็นจัดว่าเป็นจริยธรรมปีหนึ่งควรจะมีครั้งหนึ่งเข้ามาทําบุญทําทานเกี่ยวกับพระสงฆ์คําว่าจริยธรรมคำนี้เน่ยมันต้องอยู่กับทุกๆท่านอยู่กับทุกๆคนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีจริยธรรมตามขั้นตอนของแต่ละหน้าที่หน้าที่ตํารวจมีจริยธรรมอย่างไร ครูบาอาจารย์มีหน้าที่จริยธรรมอย่างไรจริยธรรมของหมอคืออะไรแต่ล ะ, ผละแผนกแต่ละอย่างมีหน้าที่จริยธรรมคุ้มครองทั้งนั้นจริยธรรมถ้ารวบรัดลงมาให้จําแบบง่ายๆหรือว่าต้นต่อง่ายๆก็คือว่าให้มีฮิลิฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปในหลักของพุทธศาสนายน่นลงมาได้สอง หิริคือความละอายโอตปะคือความกลัวต่อบาปถ้ามีฮิริคือความละอายแก่ใจถ้าเราจะไปทําสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราก็มีฮิริเราก็ไม่ทําละอายแก่ใจว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องอโอตปะคือความกลัวต่อบาปเมื่อเราทําไปแล้วบาปกรรมตัวนี้จะตามสนองตัวของเราเองถ้ามีสองอย่างนี้อยู่ในใจของเราแล้ว ที่เราจะทำสิ่งไหนก็มิดเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาทั้งสองอย่างนี้ถ้าว่าทำได้อย่างนั้นโลกใบนี้ก็จะมีความสงบสุขมากทีเดียวแต่ถ้าว่าโลกขาดจริยธรรมเห็นคนอื่นเป็นผลเป็นปลาไปหมดเป็นเหยือ่อไปหมดเป็นเบี้ยล่างของเราไปหมด เราคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้เด่นเป็นผู้ดังเป็นผู้มีอำนาจบารสนาคนอื่น อ, อ, อย่ามาใกล้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วโลกทั้งโลกก็คงจะหาความสงบสุขไม่ได้มันมีหลายวิธีเหลือเกินเพราะชีวิตหรือว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมองเห็นแต่หน้ากันเท่านั้นเองว่าคืออะไรแต่ส่วนจิตใจนไม่มีใครมองเห็น จิตใจของมนุษย์นี่ล้ำลึกมากแต่ภายนอกนั้นพูดออกมาอีกอย่างหนึ่งส่วนใจนั้นมีแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งพะนั้นในครั้งพระพุทธเจา้ามีนายควานช้างนิมนต์พระพุทธเจา้าพร้อมพระสงฆ์ไปฉันที่บ้านของเขาคือเป็นศูนย์ฝึกหัดช้างบางันชื่อช้างรบช้างพระราชาถ้ามีศูนย์ฝึกหัดก็ว่านายหัตถจารย์ นายทัตจารย์ถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์สอนพระสงฆ์สอนยังไงพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าสอนออด้วยตามกฎระเบียบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ถามนายทัตจารย์ว่านายทัตจารย์ฝึกขัดช้างฝึกขัดยังไงนายทัตจารย์ก็บอกว่าการฝึกขัดช้างเนี่ยไม่ยากพระเจ้าค่ะเพราะมันพอใจหรือไม่พอใจ มองเห็นแล้วก็รู้ว่าช้างที่ไม่พอใจอากับกิริยาอย่างนี้ช้างไม่พอใจมันตื้นมองเห็นได้ง่ายแต่บริษัทบริวาลของข้าพระ อ, องค์เนี่ยมองไม่เห็นจะอย่างลึกจะเอาอะไรมาวัดหัวใจของพนักงานเนี่ยมองไม่เห็นว่ามันลึกขนาดไหนทั้งที่พูดกันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับผมครับผมเห็นด้วยอย่างงุ่นอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น หัวใจของมนุษย์นี่ล้ำลึกมากไม่มีอะไรที่จะหยั่งถึงพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ยอมรับเออคือสัตว์ธิรลชานี่เส้นตื้นว่างั้นแ ต, แต่มนุษย์เนี่ยลึกแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าทุกคนมีจิตสำนึกใช้สติใช้ปัญญาเข้ามาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนให้มองไปในในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะจบกันลงได้ง่ายแต่ถ้าว่าทุกคน มีแต่เรื่องผลประโยชน์มีแต่ความขัดแย้งกันมีแต่โลกโมโหโทสันอย่างโลกทุกวันนี้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราเป็นเวลาถึง 2,500 ันห้าร้อยกว่าปีทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเอามาพูดแล้วก็ยังทันสมัยอยู่อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า Hey, อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชาจารณนะสัมปันโนวิ ช, ชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติสัมปันโนไปว่าถึงพร้อมวิ ช, ชาและจารณนะถ้ายุคสมัยนี้ฝรั่งเขาประดิษฐ์คำขึ้นมาว่า i อค q อคก็คือคนที่มีความรู้ i อคิ IQ สูง hey, eq คือผู้รู้จักรับผิดชอบ มีติ IQ อย่างเดียวแต่มาขาด EQ คนนั้นก็ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นทั้งสองอย่างคือ EQ และ IQ IQ และ EQ สรุปแล้วก็คือถ้าจะพูดไปแล้วคื อ, คอหลักของพุทธศาสนาเราก็คือวิชาจารณะสัมปันโนวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติมันต้องไปด้วยกันในเมื่อเราจะทำสิ่งใดเดือดร้อนคนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างไรอย่างที่เราเป็นหมอหรือเป็นพยาบาล ในเมื่อบริการคนไข้อันนี้หลวงพ่อพูดเป็นภาพรวมนะพูดเป็นภาพรวมทั่วๆไปในเมื่อเขามาบริการเราถ้าเราบริการอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนไข้เราจะประทับใจไหมอันนี้เรคือจริยะแล้วนะทีนีนะเราจะประทับใจไหมเราจะให้เขารักษาไหมถ้าเป็นเราเป็นคนไข้เราจะให้หมออย่างนี้พยาบาลอย่างนี้ดูแลรักษาไหม อันนี้ก็คือคนไข้คือหมอและพยาบาลต้องถามตนเองถ้าหาว่าเราเป็นคนไข้เราจะให้เรารักษาไหมถ้ารักษาอย่างนี้ถ้าบอกว่ายินดีถ้าหากว่าเราเป็นคนไข้นะถ้ารักษาอย่างเรารักษาเดี๋ยวนี้เรายินดีจะให้รักษาเพราะเรารักษาเต็มที่แล้วอันนั้นแสดงว่าเรารักษาคนไข้ยอย่างเต็มที่สุดความสามารถดุสุดฝีมือของเรา แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไข้เราคิดว่าถ้ารักรักษาอย่างนี้เราจะให้เรารักษาไหมเรารักษาในแย่ยังไม่เต็มที่แสดงว่าเราขาดจริยธรรมในใจของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามคนอื่นไกลจะทํำสิ่งใดก็ตามให้ถามตัวเองอย่างครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าว่าสอนอย่างเราสอนเนี่ยสอนลูกสอนหลานถ้าเป็นลูกของเราเราสอนอย่างเนี้ยเรายินดีจะให้ เราจะให้ครูอย่างเราสอนไหมถ้าตอบว่าถ้าหาว่าสอนอย่างเราสอนเนี่ยถ้าเป็นลูกของเราเรายินดีจะให้อย่างเรานี่สอนแสดงว่าเราทําเต็มที่แล้วไม่ขาดตกบกพร่องนะสุดความสามารถของเราแต่ถ้าว่าเราสอนอย่างนี้เอาลูกหลานเขามาสอนถ้าเป็นลูกของเราเราคงไม่ให้เราสอนแสดงว่าเราขาดตกบกพร่องต่อจริยธรรมคือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเอง เพราะนั้นจริยธรรมคํานี้คือคือให้มองเข้ามาหาตนเองจริยธรรมคือความประพฤติถ้าหากว่าเราทําสิ่งใดให้เขาเดือดร้อนถ้าเขามาทําให้แก่เราเราเดือดร้อนเราก็ไม่ควรจะทําให้แก่เขาเราไปเบียดเบียนเขาไปโคดไปโกงไปป้นไปจี้เขาไปลังแกเขาไปพูดให้เขาไปดูถูกเหยียดยา้งเขาเขาเสียใจถ้าถ้ามาเขามาพูดให้แก่เราอย่างนั้น เราจะเสียใจไหมเหมือ่อเหมือนกับเราไปพูดให้แก่เขานะถ้าว่าเราไปพูดให้แก่เขาเขาเสียใจเรามาเขามาพูดให้แก่เราเราก็เสียใจเพราะฉนั้นเราก็ไม่ควรจะพูดให้แก่เขาอันนี้แหะคือจริยธรรมคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อหน้าที่การงานถ้าว่ดพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้คิดสำเนียกสำนึกไว้อยู่เสมออย่างนี้หลวงพ่อว่าการกระทําในสํานักงาน หรือว่าการกระทําต่อพี่น้องประชาชนหรือการอยู่เป็นครอบครัวสามีพัญญาลูกก็จะได้รับความปร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะว่ามีจริยธรรมทุกขั้นตอนสามีควรทํำยังไงพัญญาควรทํำยังไงถ้าถ้าหากว่าสามีทะเลทไลไยเออแม่บ้านมีแต่กับลูกคอยถ้าหากว่าแม่บ้านทะเลทลายพ่อบ้านคอยและจะมีความรู้สึกอย่างไร แต่ถ้าว่ามีความเกรงอกเกรงใจกันพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวดีไหมสิ่งเหล่านี้ก็มีจริยธรรมในครอบครัวอีกเหมือนกันเพราะนั้นจริยธรรมเก็คือเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาให้รู้จักเขาให้รู้จักเราให้รู้จักความคิดของเขาให้รู้จักความต้องการของเขาที่เป็นธรรมที่ถูกต้องถ้าหว่าทำได้อย่างนั้นหลวงพ่อว่า พวกเรากคงจะได้รับความร่มเ ย, ย็นเป็นสุขแต่อันนี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมากน้อยตามอัตราจ้างหรือ อ, อัตราเงินเดือนของแต่ละท่านไม่เสมอกันแต่ถ้าเราถามเราว่าถ้าเราเป็นนายจ้างเราจะกล้าจ้างเราไหมจะทําทงานอย่างนี้เงินเดือนขนาดนี้วันละเท่านี้เราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราตอบ ว, ว่าถ้าเราทํางานขนาดนี้เงินเดือนขนาดนี้ เราจ้างแน่เราให้เลยโดยความสบายใจแสดงว่าเราทํางานเต็มที่แล้วคุ้มค่าของเงินแต่ถ้าเราถามตัวเองว่าที่เราทํางานขนาดนี้เงินเดือนขนาดนี้วันละเท่านี้ถ้าเป็นเงินของเราเราไม่กล้าจ้างแน่ๆเพราะทะเลทไหยเราทํางานนี่แสดงว่าเราขาดจริยธรรมในหน้าที่ของตนเองไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ตนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตนเอง ขอรับชั่นในหน้าที่ของตนเองขอรับชั่นมีหลายระดับเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆกท่านสำหรับพระสงฆ์ก็เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปบินธบาตชาวบ้านเข้ามาใส่บาตรก่อนที่เขาจะได้ใส่บาตรก้อนข้าวก้อนหนึ่งมาใส่บาตรเขาได้มา้วยอย่างไรเออตั้งแต่ฝนตก เดินพุทสภาเตรียมแอกเตรียมไถเตรียมคันนาเตรียมนาเตรียมวัวเตรียมควายฝึกหัดวัวควายให้มาลากไถทำไร่ทำนาจนปักดำเป็นต้นข้าวขึ้นมาจากนั้นเก็บเกี่ยวใช้เวลาขั้นตอนเป็นปีจากนั้นก็มาสีมาเนื่งแล้วก็มาใส่บาดขั้นตอนในการทำนาของเขานั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก แต่นี้เขามาใส่บาตรให้แกเรามาใส่บาตรให้แกเราเรารับทยทานของเขามาฉันแล้วเราเราควรทำตัวยังไงให้แกพี่น้องประชาชนที่เขาใส่บาตรให้แก่เราในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกเมื่อเขาใส่บาตรมาฉันแล้วไปนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถึงเขาให้เห็นอันิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขณตาไม่ใช่ตัวตน ถ้าทําได้อย่างนี้แปลว่าคุ้มคุ้มค่าข้าวของเขาแต่ถ้าว่ากินข้าว ข, ของชาวบ้านมาแล้วมีแต่พูดเรื่องสัพเพเหระเรื่องไม่เป็นเรื่องเราไม่เป็นราทําตัวไม่ดีอีกไม่เป็นที่น่าเคารพสักการะบูชาทําตัวยิ่งกว่าผู้ที่เขาให้อีกอันนั้นแปลว่าขอรับชั้นกับญาติโยมผู้ที่เขาทําบุญมาเนี่แหละมันเป็นหลายขั้นตอนนะขอรับชั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ที่พูดทางนี้ทางนั้นให้โอปนิยิกน้อมมาพิจารณาตัวเองไว้อยู่เสมอว่าการกระทําของเราเดี๋ยวนี้ขาดตกบกพร่องไหมมันเป็นยังไง เ, เงินพี่น้องประชาชนเงินภาษีพี่น้องประชาชนเราใช้เขาคุ้มค่าไหมเราเป็นข้าราชการทุกหน่วยทุกเราที่ ร, รับเงินเดือนตลอดถึงพระสงฆ์เลี้ยงชีวิตด้วยชาวบ้านที่เขาใสาบ่บาทคุ้มค่าเขาไหม คุ้มค่าข้าวเ ข, า, ขาไหมที่เราเป็นอยู่สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราสํารวจตรวจตราดูพวกเราทุกทุกทันแต่ทางว่าพวกเราสํารวจตรวจตราอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วนะหน้าที่การงานหรือว่าคนภายนอกหรือว่ากลุ่มใดก็ตามเข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องเขาก็คงจะไว้อกสบายใจไปตามๆกันแต่ถ้าว่าเข้ามาแล้วไปได้รับความอบอุ่นครูบาอาจารย์ก็สอนชังกระตายไป เด็กนักเรียนก็ตกต ก, ตกลน่ลนๆขาดๆทะเลาะเบาะแ้งกันในครูบาอาจารย์หลวงพ่อวาอ่าก็คงจะไม่ไม่ดีหมอพยาบาลก็เหมือนกันตำรวจทหารก็เหมือนกันข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าก็เหมือนกันพราะพวกเราได้กินเงินภาษีพีพ่น้องประชาชนเอออย่าไปมองข้ามไม่ได้ไประชาชนน่าจะคือเป็นเจ้านายของพวกเราเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราเราจะไปมองข้าม ถ้าเรามองข้ามสิ่งเหล่านั้นถ้ามองข้ามพี่น้องประชาชนแล้วเราจะดูถูกเขาแต่ตามไม่จริงพี่น้องประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ให้ภาษีเป็นผู้ให้เงินเดือนเราอย่างหลวงพ่อเนะี่ยทุกวันนี่นั่งรถไปปุ๊บกลับมาเติมน้ํามัน 2-3,000 บาทใน 2-3,000 บาทนะั้นเาหักออกไปแล้วภาษีมูลค่าเพิ่ม7ซื้อสิ่งของมาหักภาษีมูลค่าเพิ่ม7 เงินภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดนั้นไปที่ไหนก็คงไปสู่พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นเงินหลวงสร้างถนนหนทางที่เขาหักเอาเอาไว้ที่หักเอาไปพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อจะทําสิ่งใดก็าตามท่านใดสําเนียกสํานึกไว้อยู่เสมอว่าเราได้กินเงินภาษีพี่น้องประชาชนเงินที่เขาให้มาเนี่ย เราทำงานคุ้มค่ากับเงินของเขาที่ว่าจ้างเราไหมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ไตรตรองสำนึกสำเนียกไว้นะก็พร้อมการก็ให้อย่าลืมศีลธรรมประจำใจเพราะพวกเราเกิดมาทุกคนเนี่ยแต่จะอยู่กับลูกหลานไปนานสักเท่าไหร่เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มานั่งอยู่ในนี้สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีก็พยายามให้ทาให้เต็มที่สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำ ทำไปแล้วมันก็ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อทำไปแล้วลูกหลานญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องพวกเราเขาค่อยสบาย อ, อกสบายใจด้วยแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีทำให้เขาไม่สบายใจเพราะพวกเราทุกวันเดี๋ยวเนี้หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกเรารอวีซ่าอยู่นะอรอวีซ่าอยูอ่ใครเกิดป๊อบขึ้นมาเขาเอาวีซ่าให้แล้วเตรียมวีซ่าจะส่งมาให้แล้ว อีกสักวันหนึ่งเขาก็ส่งมาถึงบีซ่ามาถึงพวกเราก็ได้รับบีซ่าแล้วก็เดินทางต่างประเทศแบบนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนล้วทีนี้ไปแล้วไม่มีวันกลับมาไปแล้วก็แล้วเลยไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยพวกเราควรจะเตรียมตัวเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เข้าสู่จิตใจพวกเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกทําไมจึงเกิด ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงมีสาระมีประโยชน์เรื่องศีลห้าพระพุทธเจ้าสอนมีสาระมีประโยชน์คําพูดหรือว่าธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษามีสาระมีประโยชน์แล้วเราก็ต้องอย้องเข้าไปถึงว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนะั่นแหะตัดสร้เรื่องอะไรเราก็จะรู้ได้ว่า ปเุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาชาติเดียวพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงในเมื่อเกิดชาติเดียวแล้วตายและศูนย์ออไม่มีอะไรแต่นี้ไม่ใช่ตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้ารู้ว่าอาดีตเป็นมาอย่างไงเหมือนกับเมื่อวานนะมีไหมวันก่อนอาทิตย์ก่อนปีก่อนเราเกิดมากี่ปีนั่นแหะคืออดีตมันยาวเหยียดมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันอนาคตวันพรุ่งนี้มัรืนนี้มีไหมนี่แหะคืออนาคตอันนี้เหมือนกัน พ, พระพุทธเจ้าตัดสรุปคือตัดสรุปรมปุกเพนวาสานุสติญาณและลึกชาติทนหลังได้แล้วลึกถึงเมาาื่อวานเนี่ยวันก่อนได้แต่ญาณของพอระพุทธเจ้าเป็นญาณทัศน์ที่ละเอียดคล้ายๆว่าไม่มีหลงลืมเลยบางคนกัอย่างพวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็ระลึกได้วันสองสีห้าวันบางคนกัระลึกเป็นหลายหลายปีความจำมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมเอาไว้อยาประมาท สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำํำถ้าทําไปแล้วเกิดภพหน้าชาติหน้าเป็นคนที่ไม่ดีหลวงพ่อว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญนะมีบุญยังไงอย่างครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ลูกหาสอนพี่น้องประชาชนสอนให้เขารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักทํามาหาเลี้ยงชีพรู้จักอ่านหนังสือได้รู้จักหาวิชาความรู้ให้แก่เขาเมื่อเขามีวิชาความรู้แล้วก็ได้มาจากไหนได้มาจากครูบาอาจารย์ เพราะนั้นครูบาอาจารย์เป็นเบื้องต้นสําหรับปลูกศิษย์ลูกหาเแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยแปลว่าบุพาจารย์บุพาจารย์เป็ว่าบุคคลที่เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาพ่อเกิดออกมาแล้วพ่อแม่ก็ต้องสอนอาบน้ําอย่า ง, งานี้นะลูกนะครับพ่ายอย่างนี้นะกินข้าวอย่างนี้นะมห่มผ้ า, ผายอย่างนี้นะพูดจาอย่างนี้นะพ่อแม่ต้องสอนก่อนเพื่อนอันนี้ว่าบุพาาจารย์ต่อมาเมื่อพ่อแม่สอนหมด พอที่จะรู้เรียงสาภาวะก็ส่งเข้าไปโรงเรียนทันท้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็สอนสอนวิชาความรู้ให้แก่ลูกแก่หลานลูกหลานของตนลูกหลานของคนในชาติแต่พร้อมกันเราก็ได้รับรางวัลเนินละรับเงินเดือนจากพ่อแม่พี่น้องทางรัฐบาลเขาว่าจ้างให้แก่เราสอนให้ลูกหลานของเขาหน้าที่ของอาจารย์คืออะไรแนะนําดีให้เรียนดี บอกศิลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพังยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปใ น, นที่ใดไม่ให้อดอยากอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์แนะนำดีให้เรียนดีบอกศิลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพังแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อได้ยินได้ยินคงจะไม่ใช่บ้านนอกคอคาเมนในเมืองถ้าวานในโรงเรียนก็ขยักวิชาเอาไว้ถ้าไปสอนพิเศษ ไปสอนที่ห้องพิเศษตัวเองหรือว่าตัวเองสอนพิเศษสอนให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเด็กที่ไปสอนไปเรียนพิเศษก็เลยเฮโลกันไปเรียนพิเศษเพราะครูบาอาจารย์สอนไม่เต็มที่ในห้องเรียนอันนี้แปลว่าไม่ใช่อาจารย์ที่แท้จริงเป็นอาจารย์ที่ขยักวิชาไม่ถูกต้องถ้าเป็นอาจารย์ด้วยใจจริงเป็นอาจารย์เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นอาจารย์มาจากจิตใจแล้วแนะนําดีให้เรียนดี บอกศีลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพางย <_ d ata> กย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปในทิศไหนไม่ให้อดอยาก <_ d ata> คำว่าไปในทิศไหนไม่ให้อดอยากอย่างเออลูกศิษย์เรามีนะคนนั้นคนนี้นะ อ, อไปหาเขานะถ้ามีความจําเป็นออตกทุกข์ใดยากยังไงให้แค่ว่าบอากไปในทิศไหนก็แนะนําบอกลูกศิษย์ลูกหาเออเป็นห่วงเป็นอะไรไปในทิศไหนไม่ให้อดอยากายกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง เม่อพุ่นฟูเอินี่นะลูกศิษย์ของเรานะนออญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์ของเราท่านเนี้ยดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอะไรก่อนนะแต่เราไม่อยู่ก็ถามถามเขาได้นะอันนี้ก็คือการยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูแล้วก็แนะนําดีให้เรียนดีบอกศิลปะให้ชินเชิงอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะแนะนําดีก็ชัดเจนอยู่แล้วหน้าที่ของลูกศิษย์ทีเนี้ เมื่ออาจารย์มีเจตนาดีอย่างนี้แล้วลูกศิษย์ควรจะทำตัวอย่างไงกับอาจารย์พระพุทธเจา้าท่านก็สอนอีกด้วยลุกขึ้นยืนรับเ ม, เมื่อเห็นอาจารย์มาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัมภ์ด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอันนี้ก็คือสิทธ์เมื่อเห็นอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ามาหาลูกศิษย์ก็ควรจะทาตัวอย่างนี้ กับอาจารย์นี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้สอนเป็นขั้นเป็นตอนออกมาทั้งหมดนะตลอดถึงพวกเราเป็นพออเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลก็เหมือนกันการดูแลพยาบาลคนไข้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยนั้นพระสงฆ์ป่วยพระพุทธองค์ไปดูไปดูแลไปดูแลแล้วไปถามไถ่การเจ็บไข้ได้ป่วย จากนั้นพระองค์ก็บอกประกาศระชุมสง์บอกว่าเมื่อพระสงฆ์ป่วยพวกท่านทั้งหลายควรจะดูแลกันนะเพราะว่าพวกท่านเสียสละออกมาจากบ้านจากเรือนไม่มีใครเป็นผู้ดูแลรักษาพวกท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ดูแลซึ่งกันและกันเพราะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุข้ายได้บุญเท่ากัน อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวกับพระสงฆ์เพราะนั้นพวกเราเป็นหมออย่างพ่ออหรือว่าเป็นคุณหมอหรือเป็นพยาบาลถ้าเราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทาด้วยความใส่ใจทาด้วยความหวังดีกับเพื่อนมนุษยชาติหลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากทีเดียวเพราะว่าเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขามาพึ่งพาอาศัย ตาเขาใสาแป๋วเลยอยากทายังไงอยากจะฟังหมออยากจะรับคำแนะนำจากหมอในหมอด้เมื่อหมอรักษาแล้วเขาก็ดีอกดีใจพูมอกภูมใจจากนั้นพอหายจากโรคภัยไข้เจ็บเขาคนนั้นก็ไม่ใช่จะทำความชั่วยอย่างเดียวเขาเป็นผลลเมืองดีของประเทศชาตอิอย่างที่เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บเขาก็มาทำบุญทำทานมาไหว้พระสวดมนต์มารักษาศีลภาวนา พวกผ อ, อ, อคุณหมอทั้งหลายก็ได้บุญกุศลจากเขาเพราะรักษาชีวิตของเขาเอาไว้แล้วเขาก็ได้สร้างคุณงามความดีเหมือนกับครูบาอาจารย์สอนวิชาให้แก่เขาแล้วเมื่อเขาได้วิชาแล้วเขาเรียนเขาศึกษาแล้วเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมในตัวเองครอบครัวประเทศชาติเราก็ได้บุญจากเขานี่แหละหลวงพ่อว่าท่าว่าพวกเรา รักษาพยาบาลเขาหายจากโรคภยัยไข้เจ็บแล้วบุญกุศลก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราทำเป็นการค้าทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อได้ยินแต่เทคกินยังไงก็ไม่รู้จนถึงฟ้องร้องกันอพอเข้าโรงพยาบาลมาก็พาเข้าไปในท้องไปล่วงเอาไตของเขามาซะลูกหนึ่งหลายแสน ถ้าเป็นยังไงทําเป็นลักษณะนั้นถ้าหมอว่าเป็นอย่างนั้นเป็นว่าอะไร้ายาว่าไปเลยยิ่งกว่ายักษ์ไปใช่อีกถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ถูกต้องแต่นี้ก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นกังวังแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าหากว่ามันเป็นพาณิชย์จนเกินไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่ามีจริยธรรมศีลธรรมในจิตในใจอยู่จะทําสิ่งไหนถ้าเขามาผ่าท้องของเรา เ, เขาเอาไตของเราเราเสียใจไหม ถ้ามีจริยธรรมในใจของเราอย่างนั้นคิดไว้อยู่เสม อ, เ, อ, อเราก็คงจะทําเขาไม่ได้พราะเขาคงจะเสียใจอย่างมากเราก็เสียใจอย่างมากเหมือนกันถ้ามเมื่อเขามาล่วงเอาไตของเราไปโดยที่เราไม่อนุญาตให้เขาเอาไป เ, ออเพราะนั้นเรื่องจริยธรรมอ น, นี้อยู่ในครบทุกวงการถ้าพวกเรามีจริยธรรมอยู่ครบทุกวงการแล้วพวกเราจะมีความออร่มเย็นเป็นสุขนะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องจริยธรรมยาวนานพอสมควรตลอดถึงว่าการสั่งสมคุณงามความดีไปในภายภาคหน้าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีนั้นจะตามสนองแต่ถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั้นก็จะตามสนองเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญสั่งสมคุณงามความดีที่จะนําพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญนะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดได้แสดงสัมโมริยกถาก็เห็นว่าพอเหมาะพอสมควรตอนนี้ไปรับพรและก็อุทิศส่วนกุศลด้วยนะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูรา